คือเยอรมันอิตาลีญี่ปุ่นฝ่ายหนึง่งอเมริกาอังกฤษทังฝรั่งเศสอีกหลายประเทศร่วมกันแต่ว่าสงครามคราวนี้จะเกิดหรือไม่เกิดอันนี้ก็ทราบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าต่างคนต่างก็ต่างท่าต่างคนต่างก็เตรียมพร้อมที่จะลงมือซึ่นกันแล้วกันถ้าคำพยากรก็จะพยากรว่าจะมีสงครามหรือไม่ แต่ถ้าว่ามีหนังสือษเด่มหนึ่งเขาให้ชื่อว่าชื่อบุตรดาแล้วจะไปศาสตร์นะ อ, อ๋อนตราดาบุตรนตราดาบุตรนะเ ข, ขาสงคราม่วงหน้าวายถึงสองพันปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้ปีคริสตศักราชหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบจะเป็นปีเกิดสงครามโลกครั้งที่สาม แล้วก็สงครามโลกครั้งที่สามนี้จะเป็นสงครามที่มีความร้ายแรงมากแต่ความจริงหนัสือที่อขาจะมาก็ไม่ได้อ่านเขาให้มาเมป็นการอ่านผ่านไปนิดเดียวแล้วก็เขาบอกว่าประเทศอเมริกาอาจจะถูกระบาดิูเคลียแล้วก็จะมีเหตุการณ์ร้ายต่างๆเกิดขึ้นรงความแล้วเป็นสงครามทําลายศาสนาในระหว่างศาสนากับศาสนา คือศฆสนาคริกกับโฆษณาอิสลามเพราะว่าอย่างนั้นนะตามในหนังสือว่าแล้วตามในคนบอกพัตมาก็ไม่ไอ่านชัดตอนนี้เรื่องของดาบุตรเร่องะไรไม่แน่เรื่องของดาบุตรเนี่ยดาบุตรนี่เขาพูดไว้จะแน่ น, น, นอนขนาดไหนก็เรื่องของเขาสําหรับพวกเราบรรดาท่านพุทธบริษัท ในฐานะที่เป็นพุทธศักดิ์บุตรพุทธจิณนรตเป็นลูกของพระพุทธเจ้า <c oughs> แล้วก็มาดูคุณพยากรของพระพุทธเจ้าบ้างพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้กับพระอนุรานันทะ ด, ดูก่อนอานนท์ก่อนเึินพุทธกาลสิบห้าปีจะเกิดการไล่แรงจะมีการรบราข้าวการซึ่งกรนแลกัคนคุณเหล็กจะตกจากกอด ไฟจะลงมาจากอากาศจะเผาสารให้ประชาชนบางคนให้พินาศจะมีการล้มตายซึ่งอะไรกันเป็นมากแต่ว่าอา น, านาันทะโดก่อนอนล <c oughs> ก่อนกึองพุทธกาลสิบห้าปี <c oughs> มันจะถือว่าเป็นการไล่แรงนักยังหาไม่ได้หาได้ใหม่ทั้งนี้ก็เพราะว่าหลังกึองพุทธกาลไปแล้ว อ, า น, า น, อ, น, อ น, นันทะโดกรน จะมีการจะมีความร้ายแรงมากกว่าก่อนเกิดโภคาการก่อนเกิดพุทธการมากยักษ์ยักษ์นอกพระศาสนาจะรบราคิดระจบรบราข้าวฟันทึ่งกันแล้กันแล้วยักษ์นอกพระศาสนานะไม่ว่ายักษ์นอกพุทธศาสนาเนี่ยหมายถึงคนที no ่ไม่ได con er in really ้เคารพพระพุทธศาสนาจะรบราข้าวฟันทึ่งกันแล้กัน แต่ต่าง่าฝ่ายจะล้มตายกับฝ่ายนั้นมากๆสมณทีพราหมณ์จะล้มตายจะตายไปฝ่ายละครึ่งจึงจะเริ่เล่ากันสําหรับประเทศที่นับถือพุทธศาสนาจะมีภัยเหมือนกันแต่ไม่ร้ายแรงนะักอันนี้เป็นคำมายากรขอ ง, งสมเด็จพระสมณฯสมมาสมพุทธเจ้า <c oughs> เป็นนั้นว่าท่านดาบุตรคนนี้ก็เวยยียนเวียนกรเวียายก ร, ร, ยายกรไว่ตรง แต่ก็บอกว่าสองพิตสัรารสองพันโลกจะสลายแต่ว่าพระพุทธเจ้าของเราบอกว่าโลกยังไม่สลายพระพุทธศา ส, สนาจะทรงอยู่ได้ตลอดห้าพันปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงมีกรไว้ที่พระธาตุดองกิติข้างหนึ่งกับทรงมีกรไว้ที่อ่าดอยบกคลาข้างหนึ่ง ทรงตัดว่าชี้ว่าเขตประเทศนี้ต่อไปจะเป็นประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก <c oughs> จะสาธาทรงอุตสรศนาไว้ได้ห้าพัน 5, ปีเขาห้าพันปีนี่หมายถึงประเทศไทยเป็นอันว่าสงครามที่จะเกิดขึ้นที่ดาบุษบอกเข้ามาทั้งว่าสงครามชี้ตะมันออกกับตะวันออกกลางขอโทษนะ ทีตะวันตกหม า, าเมาฤษฝรั่งเศสและประเทศอื่นๆคตบอล์ออกกลางสงครามจริงๆยังคงไม่ถึงประเทศไทยทีนี้เรามาย้อนรอยถอยหลังกันก่อนว่าตามที่พระเจ้าสมัญญาตจัดว่าก่อนกึงพุทธกาลสิบห้าปีจะมีการรบราข้าวฟันซึ่งอันกันผลเลยจะตกจากอากาศไฟจะลุกจากอากาศก็เป็นความจริง ในขนาดนั้นก็ปรากฏลูกวิงกลจากอากาศบ้างลูกระเบิดจากอากาศบ้างลูกระบิดเพลิงบ้างทิ้งจากอากาศประเทศไทยเราก็พลอยยับเยินไปไม่น้อยเหมือนกันเช่นเอาตู้รถไฟต้องไปขี่กันที่บางกอกน้อยทางทัองที่ตู้มันหนักแต่แรงกขาแรงระเบิดดันตู้รถไฟเขาไปขี่กันตึกบ้านเดินลงลําบากมากแม้ว่าสงครามคราวนั้นไปเหตุบันดาลอย่างหนึ่ง นั่นคือว่าสร้างความทุกข์ประดาท่านพุทธบริษัทคําว่าสงครามนี่อาตมาพบปวดเองก็ยังรู้สึกหวาดเสียวอยู่เพราะว่าเคยอยู่ในระหว่างสงครามไม่ได้หมายความเป็นอาหารข้าวสงครามคือมีชีวิตอยู่ในระหว่างสงครามที่มีชีวิตอย่างที่ทรงอยู่ขนาดนั้นอยู่ของเทพ แสงไฟฟ้าก็ใช้อะไรไม่ได้ต้องใช้ตะเกียงตะเกียงน้ำมันก๊าซก็ไม่มีจะใช้น้ำมันโซลารก็หาไม่ได้ต้องใช้น้ำมันหมูด้วยน้ำมันพร้ามาทำตะเกียงของทุกอย่างของกินของใช้ต้องปันส่วนก็าหาไม่ได้ของหายากโรงงานต่างๆก็ถูกระเบิดเยอะมากของที่ส่งมาจากต่างประเทศก็ส่งมาไม่ได้จะได้ก็ของจากญี่ปุ่น เวลานั้นโรงงานของเราก็มีน้อยเวลานี้โรงงานมีมากแต่ก็ไม่แน่นักเพราะระเบิดจากกายก็ดีจะโรดก็ดีหรือว่าระเบิดจากภาพเื้นดิงก็ดีอาจจะเกิดกโรงงานต่างๆในประเทศไทยได้ถ้าสงครามเขาเกิดขึ้นหาว่าท่นานจะถามว่าทาไมว่าสงครามเกิดขึ้นตะวัออกกลางแล้วก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเทศไทย ทำไมไทยจรงต้องหวดระแวงความจริงไม่ได้พูดให้ระแวงพูดให้ทราบตามความเป็นจริงนึกตามความรู้สึกนึกคิดถ้าเรื่องนี้ถ้าผิดก็ต้องขออาภาัยด้วยเพราะว่าเป็นการคายคเนมากกว่าอย่างอื่นคิดว่าถ้าสงครามเกิดขึ้นระหว่างสงครามศาสนา ก็จงอย่าลืมว่าศาสนาที่อยู่ระหว่างสงครามก็มีอยู่ในประเทศไทยทั้งสองศาสนาถ้าเคารพกันแต่เพียงภายนอกก็ดีแต่เมือเอินคนที่นับถือพุทธศาสนาหรือศาสนานั้นๆนทั้งสองศาสนาเกิดทะเลาะวิวาทรบราข้าวไฟกันในเขตของเราเขตของเราก็ต้องยับเยินไปเหมือนกับสนามยาวกับสุนัข ตัวนักตอสองฝ่ายไก่กันสนามหญ้าคนแหลกนี่ถ้าบังเอิญเคารบกันก็ไม่เป็นไรดีไม่ดีเขาจะชนเรารบเราจะรบหรือไม่รบเขาก็จะรบหรือว่าเราไม่รบเขาก็ไม่รบแต่เขายึดเราจะยอมให้เขายึดไหมในส่วนต่างๆ ส, ส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศไทย <c oughs> เรื่องความนึกคิดเวลานี้ไม่ใช่หมอดูนะไม่ใช่ปัญญากร์ําหนักด้วยวิทยาศาสตร์ตำหนักอะไรทั้งหมดเป็ น, นการคาดเคลียว่าเหตุการณ์จะต้องเกิดขึ้นส่วนหนึ่งทางใต้ของประเทศไทยจะเกิดการกุลียุคนั่นหมายความว่าความเดือดร้อนจะเกิดขึ้น <c oughs> อาการต่างๆที่ปรากฏในปัจจุบันจะผุขึ้นได้รับการสนับสนุนทางการเงินการกํกาลังอาวุธจากที่อื่น จากนั้นเรางทหารตำรวจของเราก็ต้องเคลื่อนกําลังค่อยไปรักษาเขตที่เขตต่อเขตเขตยันเขตเขตเชี่ยก่อขึ้นไปเขตในเขตในประเทศไทยแล้วเขตต่อไปข้างหน้าก็ไปเขตที่เขาพวกเดียวกันอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างลองวาดภาพกันดู ถ้ามันเกิดจริงๆตามเราว่านะอันนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่จะรับรองว่าเขาจะมันจะเกิดจริงแล้วไม่จริงถ้าเกิดจริงนัส่วนประเทศไทยทุกจุดทุกภาคก็มีบุคคลที่สือศาสนาตรงกันข้ามและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้ปรากาศาสนาที่มีทติตรงกันข้ามกับพุทธศาสนาก็มีกําลังสูงขึ้น ที่เขาโต้กันกันที่เชียงใหม่อภิปรายกันเมื่อไหลังจากก่อนท่านน่าจะพูดนี่ไม่ถึงเดือนเขาโต้ถึงหลักสูตรการศึกษาพ่าหลักสูตรพุทธศาสนาถูกลดลงไปหลักสูตรศาสนาอื่นขึ้นมาแทนอย่างนี้ก็ต้องมีการน่าคิดว่าเขาวางแผนล่้นหน้าไว้ไกลมากหรือว่าวักไปการวางแผนล่้นหน้าไว้ก่อนโดยเฉพาะระยะใกล้ก็ได้ <c oughs> ก็เป็นอันว่าในเมืเ่อสงครามใหญ่เกิดขึ้นทางด้านตอนออกทางตะวัตนตะวั อ, ออกกลางนี่เสร็จสงครามมันก็อาจจะเข้ามาถึงประเทศไทยต่อไปก็เป็นการเดาอีกเ <c oughs> ขาเดาว่านะไม่จะพูดทำตรงอย่าว่าดูผิดทจะไม่ได้เดาเดามันผิดได้ขอเดา ว, ว่าถ้าสงครามเกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆ แต่ความจริงเวลานี้ยังไม่มีใครย้ายเกิดเวลาที่พูดนี่นะวันที่หกวันที่แปดตุลาคมสองพันหรอยสามสิบสามแต่กว่าหนังสือนี่จะออกไปก็กถึงเดือนมีนาคมถ้ารบครามเกิดก็เกิดแล้วไม่เกิดก็ไม่เกิดไในระหว่างนี้ต่างคนต่างมองต่างคนต่างพูดแสดงเรื่องการเมืองเอาเหตุผลต่างๆมาหักล้างกันก็ไม่แน่นะัว่ามันจะเกิด ก็อย่าจะบนบันใส่กล่าวว่ามันไม่เกิดน่าจะเป็นการดีแล้วว่าพระดำรัสขององค์สมเด็จพระจินศีไม่เคยผิดแต่ว่าท่านไม่ได้บอกคอสอเป็นนว่าประเทศไทยก็จะถูกหางหรือท้ายฝนเราอองฝนจากสงครามก็เป็นนว่าเราถูเราอองฝนดินแดนเราก็จะไม่เสีย แต่ว่าชีวิตคนอาจจะเสียไปบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่น่าห่วงก็คือของกินของใช้ราคามันจะแพงมาก <c oughs> ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราต้องใช้น้ามันโรงงานต่างต่างต้องใช้น้ามันในเมื่อสงครามเกิดขึ้นในเขตของบอนามันเราจะมีโอกาสซื้อน้ามันได้หรือเปล่าก็ยังไม่แน่ ทันดาวุฒิบอกว่าอำนาจของฝ่ายน้ำมันมีอำนาจมากสามารถเอากระบอใส่ในท้องปลาไปยิงระเบิดที่ไหนก็ได้นั่นมาชถึงเรือดำน้ำนถ้าเราส่งเรือไปซื้อของในเขตใดเขตหนึ่งจะเป็นเขตของศัตรูของเขาเรือดำน้ำของเขาอาจจะยิงเรือพาณิชขอเราก็ได้สิ่งังหลายเหล่านี้คนนี้ คบระหว่างสงครามจะมีความรู้สึกว่าหนาวหนาวร้อนๆแต่ว่าขอยืนยันว่าบรรดาแต่พุทธบริษัทสิ่งที่เราไม่ต้อ ง, งกลัวนั่นก็อย่างหนึง่งเพราะว่าเขาประกาศบอกว่าการสงครามครั้งนี้เขาจะใช้อาวุธเคมีบ้างจะใช้นิวเคลียบ้างจะใช้นิวตรอนบ้างอาวุธตั้งหลายเรานี้น่ากลัวจริงๆแต่สําหรับความรู้สึกของพวกพูด ไม่มีความรู้สึกกลัวเลยเพราะว่าพระพุทธเจ้ามีความศักดิ์สิทธิ์ของของท่านทุกชิ้นที่ผิดออกมาท่านบอกว่าการลังสีต่างๆได้ทั้งหมดลังสีต่างๆยัไม่สามารถกระทบกายกระร้าทรัพย์สินของคลใดคนหนึ่งที่มีของท่านไว้ที่จะทําให้นะเกินบรนว่าท่านยืนยันมาตั้งแต่พศ2521 ถ้าท่านทำทุกครั้งท่านก็ยินยันทุกครั้งว่าเกี่ยวกับรังสีต่างๆไม่ต้องโกรธเลยรังสีจะเข้าไม่เข้ามาใกล้ของบุคคลที่มีของที่ท่านที่ท่านทำให้ของนั้นอยู่ที่ไหนก็หากับเราเองก็แล้วกัน <c oughs> ของนั้นจะขอบอกว่าเป็นในในเอาตรงๆเลยก็ได้คือพุทธานุสตินั่นคือนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ แล้วก็ภาวนาไว้ว่าพุโทโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธะ ใ, ใจออกนึกว่าโธก่อนจะออกจากบ้านตึ่นขึ้นมาใหม่บูชาพระก่อนภาวนาว่าพุโทโธก่อนถ้านิฐานขอความปลอดภัยก่อนจะไปก็เสดนมลายเรื่องกำลังก็พุโทโธแล้วสามครั้งแล้วก็เดินออกจากบ้านไปถ้าอยู่บ้านก็ได้พายุอะไรจะไม่มีกก่ท่าน หรือว่าถ้าทำอย่างนี้ยังไม่เกิดความมั่นใจก็ของที่องค์สมเด็จพระจอมใตทรงทำไว้ติดติดไว้กับร่างกายจะ ต, ต้องอาราธนาทุกวันว่านามตตสาสามครั้งแล้วก็ว่าวูโทเหมือนกันแล้วก็ให้ถานให้ปลอดภยัยอย่างนี้จะปลอดภัยอย่างสังศีต่างๆแม้แต่สกิดเขาระเบิดก็หรือว่ากระสุนปืนของข้าศึกก็จะไม่มีไม่มีอันตรายกับท่าน ถ้าธ น, นหลายมีพุทธานุปกติเป็นกำลังใจตอนนี้เราก็มาคุยกันต่อไปนี่เรื่องคุยกันนะถ้าบังเอิญเวลานี้มีอิรักตั้งท่ายันอิรักปรากฏว่าประกาศว่ามีคนสิบแปดล้านแต่ว่าอิรักอีรายนี้รบ ก, กันมาประมาณแปดปี อ, อเมริกาส่งกำลังเข้ามาในอ่าวบอลเซียอิรักอิร่านดีการคิดพื้นที่ที่เขาอิหร่านที่รักคิดได้กี่พันตาตรางไมล์ก็ตามคืนให้หมดปล่อยเ่เลยให้หมดเวลานี้ศัตรูระหว่างศัตรูอิรักกิร่านเป็นมิรกันอิหร่านกับก็เข้ากับอิรักไม่เห็นด้วยกับทีบอ่อเมริกาจะเอาวัฒนธรรมของเธอมาใช้ในตะวันออกกลาง เขาถือว่าผิดกฎเขาวราศาสนานี่ไป็นอันว่าอิรักก็มีเพื่อน อ, อีกหนึ่งประเทศคืออิหร่านอิหร่านนี่ก็ไม่เฉลีเหมือนกันหนักเหมือนกัน <c oughs> แล้วต่อมาอย่าลืมว่าสายเลือดที่เรี่ยร่วมกันมาเขาอาจจะไม่ทิ้งกันนั่นคือศาสนาคนที่นับถือเพื่อศาสนาร่วมกัน อาจจะร่วมมือกันภายหลังอย่างนี้สงครามใหญ่จะเกิดขึ้นซึงตรงกับคํายากรย์ของพระท่านหลังวันในปีที่โยนแตกอเมริการห น, นีกลับบ้านปีนั้นก็ถามพระท่านว่าหลังจากนี้จะมีอะไรบ้างสงครามใหญ่จะเกิดขึ้นไหมท่านบอกว่าคําว่าสงครามโลกยังไม่เกิด คำว่าสงครามโลกเนหมายถึงว่าทั้งโลกแบ่งกันเป็นสองพวกร่วมกันทั้งหมดแล้วก็ตีแต่ระหว่างแล้ว่าฝ่ายกับฝ่ายก็ตีกันรบกันแยนนี้เรียกว่าสงครามโลกแต่สงครามข้างหลังที่จะเกิดทางด้านตาวันออกกลางท่านบอกตรงว่าจะเกิดที่ด้านตะวันออกกลางเขายังไม่เรียกว่าสงครามโลกขเขาเรียกว่าสงครามใหญ่สงครามใหญ่คราวนี้จะมีความร้ายแรงไม่น้อย ได้แรงกว่าสงครามโลกครั้งที่สองแต่ว่าท่านก็ไม่ได้บอกอย่างดามุดไวาคือแม่ว่าอเมริกาก็ยังอาจจะถูกนิวเคลียร์ถ้าไม่ได้บอกไว้คือไม่ได้ถามโรงความเป็นคามิการของท่านที่เป็นการว่าจะเกิดทิตวันวออกกลางก็ตรงแล้วเวลานี้ต่วันออกกลางกำลังจะมีสงคราม อย่างน้อยที่สุดก็เป็นสงครามเศรษฐกิจเริ่มบีบรัด ก, กันขึ้นมาการถูกบีบเป็นบรรดาท่านผูกฝังแระท่านผูกอ่านสมัยเยอรมันก็ดีญี่ปุ่นก็ดีอิตาลีก็ดีที่ต้องประกาศเป็นสงครามโลกครั้งที่สองก็เพราะอาการถูกบีบขันจากโลกตะวันตก <c oughs> เนื่อหลายๆประเทศที่เรียกว่าสันติบาทชาติในเวลานั้น ทั้ง3ามประเทศลาอาอกจากสันนิบาตชาติสันนิบาตชาติกระต่างคนต่างบีบคั้นต่างๆหาทางแกล้ ง, ลงถ้าไม่รบก็อดตายมีความจำเป็นต้องรบหมายถึงว่ายอมเสี่ยงยอมเสี่ยงการเสียอิสรภาพการเสียประเทศจะต้องเป็นเมืองขึ้นเขากับความตายทีนี้การรบความตายเมื่อเกิดจะเกิดเฉพาะบุคคบางกลุ่มที่เป็นทหาร แ้าบุคคลที่อยู่ใกล้จุดยุทธศาสตร์ที่ถูกระเบิดคนนอกนั่นจะไม่ตายถ้าไม่รบความอดเกิดขึ้นไม่จะตายทั้งประเทศเขาต้องตัดสินใจรบเรื่องสมัยสงครามโลกขั้นที่สองมีชั้นใดเวลานี้อิรักอิหร่านที่กำลังจับมือกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนามุสลิมเขาเป็นศาสนาที่มีความรักกันมาก บางสถานที่อย่างตอนใต้ของประเทศไทยเพราะฉะนั้นฟังข่าวจากทางโทรทัศน์ได <c oughs> ้จากท่านมันเอกนะรงกิติคจอนท่านบอกว่าใครละ่ะอันเอกคาตรตดาฟี่มั้งการชื่อผิดก็ถ้าพูดชื่อผิดขอภัยด้วยท่านเคยไปเจนจา ก, กันบอกว่าอย่าไปยุ่งกับประเทศไทยเลย แต่เขาบอกว่ารัฐบาลไม่ได้ยดุ่งโดยแต่ที่ยุ่งนั้นเป็นเรื่องของศาสนาที่จะให้มีการแบ่งแยกประเทศไทยออกเขาเป็นเขาเป็นของบุษยมส่วนหนึ่งของไทยส่วนหนึ่งเขาหวังสี่จังหวัดแต่ใ่ความจริงถ้าเขายึดสี่จังหวัดได้เขาจะก็จะเอาอแปดจังหวัดถ้าแปดจังหวัดได้เขาเอาอีกสี่หกจังหวัดเพื้นสุดเขาก็จะต้องการยึดทั้งหมดทั้งประเทศไทย ความพอของคนไม่มีชั้นใดพันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายถ้าสงครามเกิดขึ้นถ้าเราต้องจําเป็นต้องเสียดินแดนเรื่องเสียเฉพาะนั้นไม่มีแน่นอนมันต้องเสียกันเอยไปเวลานี้เราก็ไม่มีที่จะเสียแล้วแต่ที่พูดนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าสงครามมันจะเกิดจริงสมมติว่าถ้ามันจะเกิดตนี้เรื่องของศา ส, สนาก็จะเกิดขึ้น เที่พูดนี่มันจะยุให้คนสองศาสนาทะเลาะกันนะเป็นได้เพียงว่าท่านนารงท่านบอกว่าท่านไปพูดกับนายกประธานาธิบดีของเขาประธานาธิบดีขเขาก็บอกว่าทางรัฐบาลเขามาได้ยุ่ง เ, เป็นเรื่องของศาสนาเรืาศาสนาจะเอาเงินจะมาจากไหนก็ทราบไม่ได้เหมือนกันกรมความหันมาคุยกันในประเทศไทยถ้าสงครามเกิดขึ้นจริงเราจะเป็นยังไงบ้าง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 อธิพูดนี่ก็ขอเดาคิดว่าท่านพิดเจาะเขาคงเจาะยังไม่ถึงเพดานจริงๆของน้ํามันเพืองความว่าเปนถังน้ามันถังใหญ่จริงๆน่ะเราจะพูดกันตามความจริงเป็นจริงแล้วประเทศจริงเขาก็มีน้ํามันเขาหยุดสูงกับเราประเทศพม่า ก, ก็มีน้ํามันอินโดนีเซียก็มีน้ํามันมาเลเซียก็มีน้ํามันแล้วก็ไทยละ่ะ อยู่กลางทําไมจะไม่มีน้ํามันแลเวลานี้การจอดน้ํามันการดูดน้ํามันเขาบอกว่าได้น้อยแต่ตามความรู้สึกของผู้พูดและตามข่าวหนังสือพิมพ์ก็บอกว่าความจริงปริมาณน้ํามันที่ได้เนี่ยมันมากกว่าข่าวที่เขาแจ้งมาข้อนี้ยาเท็จจริงประการใดไม่ทราบแสดงแต่หนังสือพิมพ์แต่เขาบอกเขแจ้งบอกว่าได้น้อย ก็ยังมีหลายหลุมที่เจาะพบแล้วก็พบอกว่าไม่พอกับเชิงพาณิชย์จึงไม่ยอมไ้่ยอมโดดขึ้นมา <c oughs> นี่ก็เป็นเวลาเ ข, ขาพ่อค้าเป็นของธรรมดาถ้าได้กําไรน้อยเขาจะไม่เอาแล้วมาพูดอีกทีหนึ่งเวลานี้ทราบว่าคนไทยศึกษาวิชาการเจาะน้า ม, มันมาได้ดีแล้วมีความชำนาญพอแล้วและก็กําลังกําลังจะเจาะ ก่อนหังสือ น, นี้ออกคงจอะแล้วมั้งเจ อ, ละละจอดน้องก๊าซที่สงขาใกล้ๆกับบ่อเดิมจะนำก๊าซวารมกันเข้าท่อดเดียวกันขึ้นมาใช้จะได้ไปม่ปริมาณสงูงนี่ถ้าบาังเอิญรัฐบาลท่านว่านายทุนท่านใดท่านหนึ่งในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาประมูลกับบริษัทต่างๆแต่น้ำมันมันมีมากปริมาณของประเทศไทยนี่ย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 มันเป็นทะเลอีกชั้นหนึ่งทางหารคือเป็นทะเลน้ำมันจริงๆประเทศไทยตั้งอยู่เหนือทะเลน้ำมันจริงก็เช่นเดียวกันแม่แล้วก็พ ม, กกม่าก็เหมือนกันอินโดนีเซียก็เหมือนกันมาเลเซียก็เหมือนกันอูนัยก็เหมือนกันมันเป็นถังถังเดียวกัน <c oughs> ถ้าโดยเราจะเจออาะยางอังกฤษที่เขาบอกว่าอังกฤษเจาะที่ทะเลนเหนืะ จะลงไปลึกลงไป ใ, ใตดินถึงหกกิโลเมตรก็ได้น้ำมันขึ้นมาอย่างเพียงพอแต่ประเทศไทยเราสารวจแล้วว่าที่ใดที่หนึ่งมีน้ำมันพอจะเจาได้ก็ลองเจอะสกหกกิโลเมตรถ้าเจาะสักหกกิโลเมตรจะมีผลเป็นแบบการใดเรื่องนี้ก็ลองถามท่านผู้รู้ท่านหนึ่ง ถ้ามีความจำนวนมด้านนี้มากก็เรียกว่าด็ตอร์สัพพัสสตร์ท่านด็ตอร์สรพพัสสตร์จะบอกว่าถ้าเจาะลงไปเพงหกกิโลเมตรในในถังน้ํามันที่มีพื้นแผ่นดินหนาไม้ความมาเปลืไม้ความวา ม, า, มาหลังถังนั้นลึกลงไปจอองเจาะลงไปแค่สามกิโลเมตรจะถึงปะถึงผิวถังน้ำมันเป็นลังคาน้ํามัน ถ้าเจาะถึงหกกิโลเมตรไอท่อที่เจาะลงไปนั่นจะจมไปในตัวน้ามันบ่อน้ามันจริงๆประมาณครึ่งกิโลเมตรถ้าเจาะในที่ตื้นในที่บางจุดที่อยู่ไม่ไกลกรุงเทพนักในที่นี้ถ้าเจาะถึงหกกิโลเมตรท่อจะจมไปในเขตของน้ํามันประมาณสองกิโลเมตรถามท่านตกเตอร์ศาสาถาว่าถ้าเราจะโดดใช้อย่างปัจจุบันเนี่ย จะถ้าทำอย่างนั้นจะใช้ได้สักกี่ปีท่านบอกว่าเอานี้ก็แล้วกันเอาสามสิบเท่าของปัจจุบันใช้ไปห้าพันปีน้ํามันยังไม่หมดปริมาณยังไม่ลดนีด่ธบบรรดาท่านผู้อาา่านและท่านผูาาน้ฟังถ้าบังเอิญท่านดรสกเตอรสัพรสธรมยากรตามความรู้ของท่านถ้าตรงตามนี้ประเทศไทยเราก็ไม่ไม่จนอย่างอื่นจะไม่มีก็ไม่เป็นไรไฟของเรามีน้ํามันของเราถูก อุตสากรรมของเราลงทุนถูกน้มันถูกแล้วจะขายต่างประเทศได้ดีระยะนั้นประเทศไทยจะรวยอรบัรดาท่านพู้ับริษัทหลายเล่เาคุยกันมาวันนี้ก็ป่วยจะ <c oughs> เปลียงว่าเล่มที่สิบแปด้จะไม่ครบทำไมแล้วบ้างตามทุกคนถ้าแน่ไม่แน่ใจมันจะครบหรือไม่ครบก็รกมันก็มาทำเมื่ออันไปดูเวลาหรือเวลานาทีเสร็จ ขอขอเตือนบรรดา ญ, ญาโยมพุทธวิษัชทุกท่านสาวกขององค์สมเด็จพระบรมโลกกับเทพว่าจงอย่าหวั่นไหวต่อสงครามขอยืนยันว่าถึงแม้ว่าสงครามโลกจะเกิดจริงก็จริงแหละแต่ทว่าเราจะไม่ตายเพราะสงครามโลกเราจะไม่อดตายเพราะสงครามโลกแล้วก็เรานัก เ, รก เ, กรเศรษฐนักเกษตรศาสตรก็ดีนักเศรษฐศาสตร์นี่จะมีโชคดีมาก ก็จะรวยข้าวจะแพงพอจะเลี้ยงสัตว์ก็ดีราคาจะแพงของจะจะร่รํารวยทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่มีความประมาทบรรดาแต่พุทธบริษัทประเทศไทยจะมีแต่ความอุดมสมบูรณ์เอาละเวลานี้เหลือวอิไลที่สิบวินาทีขอลากรเพราะความ ส, สักดิ์สิทธิพิพัฒน์น้มงคลสมบูรณ์ผลผลย่อมมีแต่บรรดาแต่พุทธศาสนิพชนผู้อ่านและผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี